ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซับและเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงทำแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์พระราชดดำรัส สมเด็จพระมหิตลาทิเบตอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเช้าวันนี้ถือโอกาสนำพระราชดํารัดของพระบรมราชชนกมาแบ่งปันแก่เพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะในสองเหตุด้วยกันเหตุแรกก็คือ พระราชะดำรัสความดังกล่าวที่นํารายการตอนต้นเนี่ยนะคะนํามาจากข้างตึกอปพ ร, รที่โรงพยาบาลจุลานะค ะ, คะก็คือเป็นตึกที่นักเรียนแพทย์จุลาจะต้องไปเรียนหนงฝงือตรงนั้นกันใช่ไหมค ะ, คะแล้วก็อีกเหตุหนึ่งก็คือว่าพระราชะดำรัสของพระบรมราชนกเนี่ยเราไม่เคยพูดถึงเลยในรายการของชมรมเพื่อนคุณธรรมพอไปเห็นประโยคดังกล่าวแล้วเนี่ยรู้สึกโดนใจมาก ว่าเออคำพูดอย่างนี้ดีจริงๆจะมีสักกี่คนไหมหนอที่คิดอย่างนี้ท่านก็ได้ตรัสเอาไว้เนิ่นนานแล้วนะคะแต่ว่าจะมีสักกี่คนทึ่สำนึกสำเน็กแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทําหรือว่าควรจะทําตามโดยเฉพาะคนที่มีอาชีพเป็นแพทย์เนี่ย ท่านอาจจะเน้นตรงนี้สาหรับคนในอาชีพนี้โดยตรงด้วยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเนี่ยสาหรับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นใครอาชีพอะไรก็สามารถจะยึดถือพระราชดำรัสนี้เนี่ยเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตได้เช่นกันคุณหมอมีความเห็นเป็นประการใดคะผมว่าตอนที่แพทนประทานพระโอวาสนี้มานี่ก็คจะเน้นลงไปที่วิชาชีพแพทย์นะครับค่ะ แต่อย่างที่พี่จีนาตว่านะครับถ้าจะนาไปใช้เนี่ยก็เรียกว่าทุกอาชีพก็นำไปใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นเฉพาะหมอนะคะรับเพราะว่าการยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นต่อผู้อื่นแล้วพอตัวเราเนี่ยรวมทั้งลาภผลต่างๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสากล น, นะครับใครนำไปใช้ผลที่เกิดขึ้นก็เป็นไปในทำนองเดียวกันนะครับเนั้น สิ่งเหล่านี้ก็คงจะเป็นเรื่องของอความเป็นจริงนะฮะก็คือเรื่องของสัตธรรมเป็นเรื่องที่นําไปใช้ได้ทุกๆชีวิตจริงครัแต่ดูราวกับว่าจะขัดแย้งกับความเป็นจริงที่เราเห็นในชีวิตรอบตัวเราสิคะคุณหมอคะอแต่และคนหรือแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยก็เริ่มต้นชีวิตด้วยการทําประโยชน์ตัวเองก่อนทั้งนั้นนะคะครับแล้วก็คิดถึงแต่ตัวเองโดยที่ไม่ค่อยสนใจคนอื่นขอให้ตัวเองมีไว้ก่อนอะ่ะ เดี๋จะมีหรือไม่มีช่างเขาอ ะ, ะไม่ได้คิดถึงว่าเออจะต้องทําให้คนอื่นก่อนแล้วเดี๋ยวตัวเองก็จะได้ทีหลังเองไม่คิดหรอกส่วนใหญ่ก็จะให้ฉันได้ก่อนให้ฉันมีก่อนคนอื่นมีไม่มีว่ากันอีกทีหนึ่งการที่จะคิดอย่างนี้ได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดานะคะ ค, คุณหมอเป็นการคิดที่เผื่อแผ่แบ่งปันแล้วก็ไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์สุขของตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะซึ่งตรงกันข้ามกับมนุษย์โดยมากนะคะ ที่จะเห็นแก่ประโยชน์สุขของตเนเป็นที่ตั้งก่อนครับมันก็จะเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ยากเกินไปหรือเปล่าคะสําหรับปุถุชนอย่างเราๆนะคะครับจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรฮะเพราะว่าจริงๆถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยผลอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาที่จะตามมาเนี่ยมันแค่เป็นผลพลอยได้นะยังไงคะอย่างทรัพย์สินเงินทองอะไรอย่างนี้เนี่ยถ้าเรียกว่า ในวิชาชีพแพทย์เนี่ยถ้ามองในแง่ของลาภยศทรัพย์สินเงินทองหรืออะไรต่างๆยื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดในภาษาที่ฟังดูว่าให้เห็นความแตกต่างกันก็ว่าสิ่งตัวนี้เนี่ยเป็นคุณค่าเคียมนะเป็นคุณค่ารองก็ไดนะ้ฮะแต่ถ้าในแง่ของคุณค่าแท้จริงๆของวิชาชีพแล้วเนี่ยก็คือการทำความดีในคนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ย จะมองข้ามช็อตฮะหรือว่ามอง yeah, ข้ามขั้นตอน <Yeah. S 2> ก็คือว่ามัาจะมุ่งรั่วพุ่งเป้าไปที่การได้คุณค่าเทียมทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยโดยตามความเป็นจริงเนี่ยทุกอย่างมันมีเหตุกับปัจจัยใช่ไหมเหตุใจถ้ามันทําอย่างไรเนี่ยมันก็ได้ผลอย่างนั้นตรงไปตรงมาก่อนมันจะมีคล้ายๆว่ามีขั้นตอนในตัวมันเองครับพี่สีนานะขั้นตอนที่หนึ่งก็คือว่าเรากรร็ยได้ยินว่าทําดีนะ ย่อมได้ดีทาชั่วย่อมได้ชั่วอย่างเงี้ยแต่ว่าบางคนบอกว่าความดีที่เขาอยากได้เนี่ยคืออยากได้ความรวยอยากได้ความรวยความมั่งมีอะไรอย่างเงี้ย่ะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคนเราเรื่องกันมันเป็นคนละขั้นตอนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการทำดีเนี่ยมันได้ความดีสำเร็จไปในตัวมันเองอยู่แล้ว เองแต่ว่าเราไม่รู้จักคุณค่าของมันคือทําความดีเนี่ยมันได้บุญได้กุศลเนี่ยนะสำเร็จเรียบร้อยในตัวมันเองไปแล้วคแต่เราไม่รู้ว่าไอ้ น, นี่ยคือบุญหรือว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะได้บุญแต่ว่าเราคาดหวังว่าจะได้เงินอยากจะได้หน้าได้ตาอยากจะได้อะไรต่างๆตามมาเนี่ยซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของอีกขั้นหนึ่งซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องกับ สองอย่างนี้เนี่ยให้ถูกต้องถ้าไม่นั้นเนี่ยเราจะได้ยินคํำนี้ว่าทําดีได้ดีมีที่ไหนเนี่ยทำชั่วดีได้ดีมีถมไปอย่างนี้นะกันจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการช่วยเหลือประโยชน์ต่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นความสําเร็จของบุญได้ตัวมันเองอยู่แล้วส่วนลาบยศอะไรต่างๆที่มันจะตามมาเนี่ยอมันเป็นแค่ผลพลอยได้มันจะไม่ได้ก็ได้ <S <S ค่ะนะเอออาจจะได้ก็ได้ซึ่ง ทาทีที่เรามีอยู่ตรงนี้เนี่ยมันสําคัญมากต่อความสุขภายในใจของเราหรือว่าความสงบภายในใจของเราถ้าเราทําโดยที่ไม่ได้คาดหวังเนี่ยบุญมันก็สําเร็จใจเราก็สงบความดีเราก็ได้สมบูรณ์ในตัวมันเองอยู่แล้วอ่แต่ถ้าเกิดเราคาดหวังเนี่ยความกระวนกระวายในการรอคอยความคาดหวังมาเต็มเลยค่ะฮะมันจะมาคอยเพื่อแทนที่จะได้บุญเหมือนกับได้อาคุแทานนะครับค่ะตัณหานั้น ดในสิ่งแบบนี้เนี่ยถ้าเราเกิดว่าเราเข้าใจในการวิธีการปฏิบัติเนี่ยเช่นยกตัวอย่างนะฮะบางคนบางท่านอาจจะฟังแล้วไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจยากค่ะเข้าใจยากเนะี่ยต่ยกตัวอย่างให้เห็นชัดๆ น, นะ่ะเวลาเราปลูกมะม่วงเนี่ยนะฮะเราปลูกมะม่วงเนี่ยมันก็ต้องได้มะม่วงใช่ไนะมแต่เราปลูกมะม่วงเนี่ยอาจจะไม่รวยก็ได้นะฮะ ออได้หรือฮะเราจได้กินมะม่วงอะเราจะได้กินมะม่วงนี่บางคนว่าหวังปลูกมะม่วงไงโอ้โหเข้าเทานุบํารุงใส่ปุ๋ยลดน้าพวนดินไกจะทําเงินสักกี่ล้านดีอ่ากจะทําเงินอันนี้เนี่ยมันไม่แน่นะฮะแต่แน่ๆก็คือว่าเราค่อนข้างมั่นใจว่าจะได้ผลผลิตคือมะม่วงเนี่ยีเ่เป็นเกอบเป็นกรรมค่ะแล้ะมะม่วงมันก็ออกลูกดอกนะบางเอิญ น, นะบางเอิญถ้าเกิดว่ามันไปอยู่ในช่วงที่สวนอื่น หเป็นฤดูการที่มะม่วงออกเยอะมะม่วงราคาถูกใช่นะมบางทีมันอาจจะไม่รวยอันนี้มันเป็นเรื่องอีก อ, งอีกขั้นหนึ่งละซึ่งบางทีมันขึ้นอยู่กับฤดูการขึ้นอยู่กับภูมิประเทศขึ้นอยู่กับความเป็นไปของสิ่งแวดล้อมด้วยแต่แน่ๆแลคือว่าเราทําเหตุก็คือปลูกมะม่วงแล้วก็ทำนุ่นบำรุงมันอย่างดีเนี่ยผลที่มันตรงไปตรงมาก็คือ ได้ผลมะม่วงเยอะแยะมากมายอันนี้ก็สมประสงค์แล้วค่ะแต่จะรวยหรือไม่รวยให้มันมีเหตุปัจจัยอื่นก็มาเกี่ยวขอ้องซึ่งเราต้อ ง, งะะเกี่ยวข้องอย่างเรียกว่าชารจฉลาดต่อไปอทีค่ะนี่กำลังเนี่ยครัค่ะแต่สําหรับตัวเองแล้วนะคะมีความสุขว่าพอได้อ่านพระราชดำรัสนี้แล้วเนี่ยรู้สึกอย่างหนึ่งว่าการทําความดีเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับทุกชีวิตและถ้าเราไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะคือเราทําแต่สิ่งที่ดีๆให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ย เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆกลับคืนมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปดิ้นรนขนขวายไปสแสวงหาอะไรมากมายแค่ตั้งใจที่จะทําความดีและทําสิ่งที่ดีผลที่ดีเนี่ยจะกลับมาถึงตัวเราเองอะคะ่ะ ค, คิดคิดแบบนี้นะคะแต่คนส่วนใหญ่จะทําความดีเพื่อหวังผลงเ<ร>นี้ยเพราว่าเป้าหมายในการทําเนี่ยมันไม่เหมือนกันไปเอนงนี่ปัญหามันก็คือว่าโดยทั่วไปเนี่ย นี่เป็นความเข้าใจของผมนะครับคคนเราเกิดมาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีการเวียนตายเวียนเกิดนะครับมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่นี้จริงๆแล้วคือว่าเหมือนผ่านการทําดีทําบุญทํากุศลคมามากมันก็ถ้าเราจะเปรียบเหมือนว่าท้องพระคลังก็เหมือนท้องพระคลังความชั่วอั้นเแต่ท้องพระคลังความดีค่ะอันหนึ่งที่ผมสังเกตดูก็คือว่าพวกนี้เนี่ยมันเหมือนมีรหัสผ่าน เหมือนมีสภาวะที่มันเกื้อกูลให้สิ่งเหล่านี้ส่งผลเหมือนกันค่ะสมมุติว่าเราทําความชั่วนะฮะเรอทําอากุศลไว้มากเนี่ยค่ะไฟอากุศลเนี่ยมันก็จะเรียกว่าทยอยตามส่งผลมาง่ายค่ะใช่ไะมครพยอยตามส่งผลมาง่ายเพราะว่ามันเหมือนว่ากรรมที่ปัจจุบันที่เราทําอยู่เนี่ยมันเป็นการไขรหัสของกรรมในอดีตด้วยค่ะมันจะดูดกันมาว่า ง, งั้นค่ะณจุดที่เราทํากรรมดีเนี่ยเราก็เริ่มเปิดประตู ครั้งของความดีของเราด้วยแต่ทีนี้ในเบื้องต้นในตอนที่ทําใหม่ๆเนี่ยบางทีมันยังไม่บริบูรณ์ดีไม่สมบูรณ์ดียังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามันมีมารมาผจญเหมือนนึกออกไหมฮะค่ะที่เราเขาบอกว่าถ้ามารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดคานองนั้นนะฮะนะะมันก็จะดูลําบากมันจะดูไม่เห็นได้อะไรมันจะดูขัดสนไปหมดแต่ในลึกๆในใจของผมผมก็รู้สึกว่า อดทนทําต่อไปเนี่ยมุ่งมั่นในการทําความดีของเราต่อไปเนี่นะฮะโดยที่เราอาจจะไม่ต้องคาดหวังนะแต่ว่าถ้าถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยกรรมดีที่มันรอคอยหรือว่ารอการเหนี่ยวนําหรือว่ารอการดึงดูดจากกรรมดีในปัจจุบันที่เราขณะทําไปแต่ละขณะแต่ละขณะนเนี่ยมันจะส่งผลด้วยตัวมันเองค่ะ <c oughs> เพราะเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราเคยเวียนตายเวียนเกิดมานับชาติไม่ตัวเนี่ยเราไม่ได้ทำชั่วมาร้อยเอร์เ็นต์แน่ๆ ใช่ไหมฮะในขณะเดียวกันเราก็ไม่เคยทําดีร้อยเปอร์เซ็นมาแน่ๆนะมันมันมีอะไรปะปนกันมาอยู่แต่ณชีวิตปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทํากรรมดีตรงนี้มากๆมากๆเนี่ยมันก็เหมือนกับคล้ายๆว่าเราปลูกดอกไม้ไว้ใช่ไะสิ่งที่มันจะมาตอมเราเนี่ยก็คือพวกพึ่งยังไงหน้าที่มาปลูกดอกไม้อย่างเดียวมาแหวงวันคงจะมาอยู่บ้างก็อาจจะเป็นบินผ่านไปผ่านมาคนะแต่ถ้าเราทําตัวเป็นก้อนอุจจระนะทําตัวเป็นศพกระโปรงเนี่ยแน่นอนเลยว่าพึ่งมันไม่มาแน่ มันจะมาก็คือพวก way, wan, แมงวอยแมงวันที่มาวุ่นวายกับชีวิตของเราเนี่ยค่ะดงั้นณโอกาสที่มันผ่านมาเนี่ยเราเลือกไม่ได้แต่ปัจจุบันนะจุดนี้เนี่ยเราเริ่มต้นใหม่ได้ค่ะก็คือมุ่งมั่นที่จะ ท, ทําความดีอย่างประโยชน์ให้เกิดกับคนอื่นแต่จริงๆแล้วในใจของผมเองเนี่ยมันจะมีคนที่คิดอย่างนี้ได้ยากนะฮะได้ยากยาก ค, ะค่ ะ, คะเพราะว่าจริงๆแล้ว ในทัศนะนี้นี่ผมไม่ได้ว่าความเห็นอันนี้เนี่ยไม่ถูกต้องนะแต่โดย <Syndrome. S 2> ทั่วไปแล้วคนเราเนี่ยรักตัวเองเป็นตุนเดิมอยู่แล้วคือจะเรียกว่าทวนกระแสรหรือว่าย้อนสอนวิถีคิดของชีวิตผุุ้ชนนะคะครับจริงๆแล้วโดยธรรมชาติเนี่ยคนเรารักตัวเองเป็นตุนเดิมแม้ว่าเราจะมองว่าเราจะกระทำประโยชน์เพื่อคนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราก็ยังรักตัวเเองอยู่เพราะว่าคนที่ชอบที่จะทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าทำแล้วเนี่ยตัวเองมีความสุข แน่นอนค่ะถ้าทําแล้วเราเป็นทุกข์จะทําทําไมล่ะคะใช่นั่นแหละฮะนั่นแหละมันจริงๆแล้วก็คือเราก็ยังรักตัวเราเองอยู่ดีใช่ค่ะก็คือว่าเมื่อเราทําแล้วเรามีความสุขเนี่ยเราก็ทำอาจจะสละเวลาอาจะสละกเงินท้องอาจะสละกไดได้อะไรที่เราสมควรจะได้ลงไปแต่ว่าเรามีความสุขใจหรือว่าเรามีความอิ่มใจมีความเบิกบานใจในการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยแต่ผลที่ได้มันก็คือย้อนกลับมาสู่ตัวเรานั่นเอง งั้นจริงๆแล้วในแง่ของการช่วยเหลือคนอื่นเนี่ยโดยพื้นฐานก็ถือว่าเราต้องมีความยินดีหรือว่ามีใจรักที่จะทำะนี่ถ้าเกิดว่าเราปลูกฝังให้คนรู้จักเสียสละให้รู้จักการคิดในเชิงบวกหรือว่าในแง่ของการที่มุ่งเน้นกับความดีมุ่งเน้นกับคุณค่าแท้ของงานเนี่ยนะคะคนก็จะมีแนวความคิดเน้นมาก แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มุ่งเน้นการสอนให้เน้นที่คุณค่าแท้ก็คือบุญกุศลหรือว่าความดีเนี่ยคนก็จะข้ามช็อตไปมองแต่เรื่องของลาบยศชื่อเสียงเงินทองอะไรต่างๆซึ่งบางทีมันก็เลยพลาดการได้ของดีไปนะเราได้แต่ของเทียมๆซึ่งไอของเทียมอันนี้เนี่ยมันเอาไปไหนไม่ได้นะค่ะถึงเวลามันก็ต้องคืนก็หมดนะฮะแล้วสิ่งหนึ่งนะคะคุณหมอที่พิสูจน์ พระราชะดำรัสนี้ยังพวกเราประจักษ์แห่ใจกันโดยทั่วหน้านะคะก็คือสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราทรงทํามาโดยตลอดอ่นะคะคแล้วก็ได้รับผลสะท้อนกลับอย่างที่เราเห็นในช่วงของปีพศเนี้่ยค่ะครับว่าประชาชนผสมนิกรชาวไทยเนี่ยเทใจถวายให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างรเรียกว่าตะลึงกันทั้งโลกเลยนะคะครับ นี่เราคงเร็นผลพิสูจน์ได้เลยค่ะว่าพระราชนิรมลของพระบรมราชานกเนี่ยเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลครับกับวิธีคิดก็ดีหรือวิธีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานมาโดยตลอดนะฮครับแล้วท่านก็ได้ทําเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอย่างประจักษ์แจ้งแล้วก็น่าเสียดายนะคะถ้าเราจะไม่ทําตามคครรับับเป็นลูกที่ไม่ดีเป็นลูกนอกข้อ ถ้า<ต>เราจะไม่ทำมุมนี้เป็นอีกมุมหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ในใจของเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเรานะคะที่เราบอกว่าเรารักในหลวงเราควรจะทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ท่านทำเป็นตัวอย่างเป็นลูกที่ดีครองสมเด็จพระบรมราชชนกพระบรมราชชนีท่านทำตัวอย่างดีๆให้เราเห็นเยอะแยะ ม, มากมายเลยค่ะคนะคะแล้วผลที่ท่านทำเนี่ยอย่างที่เรารู้สึกและาบซื้นกันอยู่เนี่ยถ้าเราจะทา ตามอย่างท่านบ้างเดินตามรอยเท้าพ่อของเราที่ท่านเองก็เดินตามรอยเท้าพ่อของท่านมาแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีๆอย่างหนึ่งซึ่งพี่น้องชาวไทยของเราน่าจะได้ทํากันนะคะครับค่ะผมมองว่าสิ่งหนึ่งที่มันทําไม่ได้หรือว่าทําได้ยากเพราะว่าคจิตใจของเราเนี่ยหรือว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่ได้รับการฝึกนะอ้า มันสู้กิเลสไม่ได้หรอกพี่กิเลสมาแรงกว่าใช่ไหมคะฮะใช่เหมือนกันเหมือนกับการที่เราจะควบคุมเรื่องการรักษาสุขภาพเนี่ยค่ะความอยากมันมากกว่าความกลัวรู้ว่ากินนี่นี่มากๆากะเดี๋ยวจะเป็นเบาหวานจะเป็นไขมันในเลือดสูงนะแต่ถึงเวลาก็อดไม่ได้ทักทีนั่นหมายความว่าความอยากเนี่ยมันมากกว่าความกลัวนั่นหมายความว่าเราต้องมีเครื่องมือสักอย่างหนึ่งในการที่จะมาปรามหรือว่ามาต่อต้านหรือว่าต่อสู้กับกิเลสไม่ได้แล้ว กรรมฝ่ายดีเนี่ยหรือว่าความคิดฝ่ายดีมันจึงจะออกไปสู่มุมของการกระทําได้เครื่องมือตรงนี้จะเป็นอะไรคะอย่างอื่นเป็นไปไม่ได้นะครับนอกจากการเจริญสติหรือว่าการฝึกสติหรือว่าการฝึรากาจิตค่ะเพราะว่าพระดงก็ตรัสไปแล้วว่าจิตที่ฝึกดีแล้วเนี่ยย่อมนำสุขมาให้ตน